มีแล้วมันก็เทียบกันได้อันอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเยเรื่องบาปกับบุญนี่นะมันก็เป็นคู่กันเป็นของเทียบกันได้ก็เช่นอย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆแล้วก็ไม่ไม่ทราบว่าจะจะไปเอาเรื่องอื่นใดมาพูดมันก็จะไม่ตรงเลยเช่นอย่างความตนี ความหวงแหนอย่างนี้นะกับการให้การบริจาคทานอย่างนี้มันก็เป็นคู่กันนั่นแหละความตณีความหวงแหนนั่นมันเป็นฝ่ายอกุศลในการบริจาคทานนี่มันเป็นฝ่ายกุศลอย่างนี้แหละเนีย่ยมันเป็นความดีการบริจาคทานนี่นะมันไม่ได้เป็นความชั่วในความตณีหวงแหนนั่น เมื่อมันตันหนีามากๆเขาแล้วอใครจะมาลบอวงทรัพสมบัติของตนเข้าไปมันก็เลยกลายเป็นโท่สาพยาบามไปก็วางแผนทําลายล้างผ่านชีวิตของผู้อื่นก็เพราะความหวงแหนในทรัพสมบัตินั่นแหละมันนี่ก็มาสร้างก ร, รมสร้างเวีใส่ตัวเองออย่างนี้นะเนี่ยความตันหนีความหวงแหนนี่ เมื่อไม่ละมันแล้วมันก็กลายเป็นอกุศลไปทีนี้เมื่อบุคคลมายินดีในการบริจาคทานเข้าไปแล้วชะนีไอความชะนี่ความหมองเห็นมันก็เบาบางไปจากกิจใจนี้อืมเพราะฉะนั้นโลกนี้มันยังมีทั้งมืดมีทั้งสว่างมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นอันเป็นเครื่องแก้กันอยู่อย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ตอนที่ พระองค์เจ้าทรงพระดำริที่จะออกบททีแรกตรงนี้นทรงดำริว่าโลกอันนี้นะมีร้อนแล้วก็มีเย็นเป็นคู่กันนะมีมืดแล้วก็มีสว่างเป็นคู่กันมีสุขแล้วก็มีทุกข์เป็นคู่กันเพราะฉะนั้นการออกวทแสวงหาทางหลุดพ้นจากทุกข์นี้คงจะมีแน่นอนพระองค์เจ้านึกเปรียบเทียบอย่างนี้นะนั่นแหละ ก็มีบาปแล้วมีบุญเป็นคู่อืมทีนี้ในระหว่างบาปและบุญสุขหรือทุกข์มืดหรือสว่างร้อนหรือเย็นอะไรพวกนี้นะมันมีจิตเป็นกลางแบบ น, นี้นะนั่นแหละมีจิตเป็นผู้รับรู้อืมจิตดตวงนี้แล้วไอ้คาว่ามืดว่าสว่างคําว่าร้อนว่าเย็น คำว่าบาปป้าบุญหมดนี้ไม่มีเลยอ่ะไม่มีมันต้องพิจารณาดูให้ดีเมื่อเป็นเช่นนี้นะความสำคัญมันยังอยู่ที่จิตตวงนี้แบบ น, นี้นะตอนนี้เมื่อจิตฝึกจิ ต, ตรวงนี้ให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปแล้วปัญญามันเกิดขึ้นมันจึงมองเห็นว่าอะไรดีอะไรไม่ดี มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเหมือนอย่างตาของคนเราอย่างนี้เลยเมื่อหากว่าตามันมัวอยู่อย่างนี้นะมันมีโรคตาแทรกแทงเข้าไปอยูอย่างนี้มองอะไรมันก็ไม่เห็นชัดมันเป็นอยงนั้นวันนี้ก็ไปรักษาใชเมื่อรักษาด้วยยุกยาต่างโรคตานั้นหายไปตานี่ก็ใสสว่างคืนมาอย่าง เมื่อตามันสว่างเต็มที่แล้วมองอะไรก็เห็นชัดเลยแบบนี้ไม่ลังเลสงสัยแล้วอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยอันใจอันนี้มันจะมัวหมองอยู่กัเพะกีละเลศปาประธรรมมันครอบงาเอาแต่ความโลภโกรธหลงนี่แหละครอบงาเอามันถึงได้มัวหมองเมื่อมันมัวหมองแล้วมันก็ไม่รู้มันก็ไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดี อะไรเป็นความจริงอะไรไม่เป็นความจริงมันก็ไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นมูลเหตุมันนะดังนั้นแหละผู้ใดมาได้สดับคำสั่งสอนของพระเจ้าดังชี้แจงเหตุผลในฟังมานี้แล้วนะก็ะหวังว่าคงจะเห็นความสำคัญของดวงจิตนี้ก็จะพยายามชำระจิตดวงนี้ให้มันใสสะอาด จะไม่ปล่อยให้กิเลสบาปธรรมหุ้มห่อจิตตดวงนี้ให้มัวหมองเป็นทุกข์เดือดร้อนไปในสงสารอยู่อย่างนี้เอควรพากันตื่นตัวถ้าใครยังไม่ตื่นตัวแล้วกิเลสบาปธรรมเหล่านี้มันก็ครอบงามจิตเอนําจิตดวงนี้ให้กกวนอยู่ในวตาสงสารนี้สเสวยสุขบั่งเสวยทุกข์บ้างเอถ้าว่าจิตเอียงไปทางบาปอกุศลมาก มันก็ใช้กายวาจาทําบาปมากเข้าไปมันก็เสวยทุกข์มากกวัวความสุขแล้ววันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะแน่นอนละ่ะถ้าจิตนี้ไม่ฉลาดไม่ฝึกฝนไม่อบรมแล้วมันก็ต้องตกเป็นทาสของกิเลสแน่นอนเลยเพราะว่ากิเลสนี่มันมันมีมาตั้งแต่เบื้องต้นลเลยอ่จิตได้สร้างเอาขึ้นมาเนื่องจากว่า ความเกิดขึ้นมีขึ้นของดวงจิตครั้งแรกนี่มันไม่ฉลาดจิตนี่นะเมื่อมันไม่ฉลาดแล้วมันก็ต้องสะสมกิเลสตัณหาต่างๆไว้มันก็เป็นเหตุให้ทําดีบ้างทําชั่วบ้างผลที่ได้รับก็สบถุสุขบ้างสเสวยทุกบ้างมาในสงสารอยู่อย่างนี้แหละ <c oughs> ให้พึ่งพากันเข้าใจ บางคนก็พอใจอยู่แต่เพียงแค่นี้แหละทำความดีนิดๆหน่อยๆเมื่อได้รับผลแห่งความดีอันนั้นมีความสุขสบายพอประมาณแล้วก็อ น, นอนใจเลยพอใจแล้วตนก็มีเรือนอยู่มีข้าวกินมีผ้านุ่งผ้าห่มอาศัยมีเงินใช้สอยแล้วอย่างนี้ก็นับว่าพอใจแล้ว แล้วก็ไม่อื้อเฟื่อในทางศีลธรรมต่อไปไม่เพ่งพิจารณาดูจิตใจตัวเองว่าความเป็นผู้มีฐานะความเป็นอยู่ดีดังกล่าวมาแล้วนั่นแล้วจิตใจของตนมันเป็นอย่างไรมันมัวหมองหรือมันพองใสอยู่อย่างไรไม่ได้คิดไม่ได้คํานึงถึงส่วนมากมันเป็นอย่างนั้นไม่ตื่นตัวกัน อันผู้ใดเป็นผู้ได้สวยผลแห่งบุญกุศลที่ตมตนได้ทํามาแต่ชาติก่อนแล้วก็ยังมามองดูอัตภาพร่างกายที่บุญตกแต่งให้นี่ยังเห็นว่าไม่เที่ยงไม่ยังยืนอยู่อันบุญกุศลตกแต่งให้นี่บุญก็ไม่เที่ยงเมื่อบุญไม่เที่ยงร่างกายนี่มันจะเที่ยงมาแต่ไหนอ่ามันก็ต้องพิจารณาเห็นอย่างนี้ก็จึงไม่นิ่งนอนใจวะนี้ ทําอย่างไรตนถึงจะพ้นจากความไม่เที่ยงอันนี้ไปได้มันก็ต้องดำริตรีตองกันใน ว, วันนี้นะ <c oughs> การที่บุคคลจะพ้นจากความไม่เที่ยงอันนี้ไปได้ก็ต้องปลูกสันทะความพอใจลงในข้อวัดปฏิบัตินั่นแหละเพราะว่าถ้าผู้ใดไม่ตั้งอยู่ในข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําสั่งสอนนั่น ก็จะคจําจากกิเลสอันมันห ม, นมกโด่งอยู่ในจิตใจนี้ไปไม่ได้เลยอืแล้วก็จะไม่พ้นไปจากความไม่เที่ยงอย่างนี้จะต้องอาศัยร่างกายอันไม่เที่ยงนี่เรื่อยไปบางทีก็ได้อาศัยร่างกายของสัตว์นรก บ, บ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างอืบางทีก็ได้อาศัยร่างกายของมนุษย์เช่นนี้แหละบุคคลผู้ที่ทําทั้งบุญทั้งบาป ใช้ตัวเอง <c oughs> ดังนั้นสมควรสมควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจะพึ่งมาวินิจัยตัวเองเทียบกับคำสอนของพระเธอเจ้าให้ได้เมื่อรู้ว่าตนยังบกพ่องบุญบา ร, รมีอยู่มากมายแล้วกิเลสบาปธรรมก็ยังมีอยู่ในใจเมื่อรู้อย่างนี้แล้ว ก็ตั้งความภาคเพียรพยายามวะนี้นะภาคเพียรพยายามบำเพ็ญกุศลเพื่อละอกุศล น, นั่นแหละเราจะไปเอาอย่างอื่นมันละอกุศล น, นี่มันไม่ได้เลยมีแต่เอาข้อปฏิบัติหรือว่าธรรมะนั่นแหละนั่นธรรมะก็ดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละสำหรับอุวาศกวาธิกาผู้ครองเลือนก็ต้องทำความพอใจ ภาเพียรในทานการกุศลต่างๆขยันมันเพียนทําการทํางานทนํานาทําสวนแล้วแต่ใครถนัดการงานอย่างไรก็ตั้งออกตั้งใจภาเพียนพยายามทําความพอใจในการงานนั้นๆให้มากเพียนพยายามประกอบธุรกิจการงานให้มันได้รับผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเข้าไป เมื่อพยงฐานะความเป็นอยู่ของตนให้ดีพอสมควรแล้วอย่างนี้มันก็มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติธรรมเช่น จ, จะให้ทานอย่างนี้นะถ้าหากว่าไม่มีวัตถุทานเราจะเอาอะไรมาให้ทานได้มั น, นมันก็ต้องมีวัตถุทานวัตถุทานจะมีได้ก็ต้องเกี่ยวกับทำการทำงานอย่างว่ามาแล้วนั่นนะแหละเป็นอย่างนั้นพอโลกกับทำนะมันเนื่องกันอย่างนี้แหละ บุ <c oughs> คคลจะได้บุญได้กุศลก็ได้เพราะการงานที่ตนทำโดยทางที่ชอบเมื่อได้วัตถุปัจจัยมาแล้วแบ่งกินบ้างแบ่งทานบ้างเช่นนี้มันก็ทำให้ความโลภความตนีอันมีในหัวใจนั่นเบาบางออกไปได้อย่างนี้แหละดังนั้นน่ะมันจึงมองไม่เห็นว่าจะไปเอาคาถาอาคม อะไรมาขจัดความโลภความตณิย์ห่วงแหนอะไรโมนี้ออกไปจา ก, กจิตใจนี่ไม่มีไม่มีคาถาอาคมบรรใดในโลกนี่จะมากําจัดได้มีแต่เราทำความพอใจนี่ในฐานการกุศลนี่ให้มากๆขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละกิเลสเหล่านี้มันถึงจะน้อยเบาบางออกไปจากดวงจิตนี้ได้มาดีบุคคลผู้ที่ เมารู้ว่าตนนั้นยังทำบาปอยู่หรือว่าการกระทำของตรงมันยังขัดต่อพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้นั้นอยู่ก็ภาคเพียนพยายามสิพยายามออพยายามงดเว้นนะทำอย่างไรเราถึงจะ ง, งดเว้นจากบาปอากุศลต่างๆหมนี้ได้ก็ภาคเพียนพยายามเลยเออมีสติมันระลึก เตือนตนเสมอว่าบาปกรรมที่ตนล่วงล้ำทำมานั้นถ้าหากก็ไม่ไม่คิดว่าจะละมันแล้วมันก็จะนําไปสู่ทุกข์แน่นอนถ้าผู้ใดรู้ตัวแล้วเห็นว่ามันเป็นบาปเป็นโทษนําทุกข์มาให้จริงๆเช่นนี้ก็อธิษฐานใจละเว้นไม่ทํามันต่อไปอีกเช่นนี้ก็ได้แก่การสมทานศีล นั่นแหละเมื่อสมทานศินไปแล้วก็ตั้งสติสำรวมระวังกายวาจาไม่ทำอะไรไม่ให้ผิดต่อพุทธบัญญัติที่ตนได้สมทานมาแล้วนั้นเช่นนี้มันก็ทำให้ปาประทำกรรมมันชั่วที่ตัวได้ทำมาแต่ก่อนนั้นมันก็ต้องเบาบางลงไปแน่นอนทีเดียวแล้วนั้นก็ยังไม่พอในเมื่อความโกรธยังมีอยู่ตราบใด อันการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนี่มันจะต้องมีอยู่ยงนั้นเนี่ยถ้ามันโกรธจัดๆเข้ามาแล้วมันก็สามารถล่วงศีลได้มันเป็นอย่างนั้นคนเราเหตุที่จะรักษาศีลไม่ได้นี่นะเพราะมันอดความโกรธนี้ไม่ได้นั่นเองแหละดังนั้นพระศ า, าสดาจึงได้ทรงสอนให้ประพฤติ ธ, ธรรมเข้าไปอีกให้จเจริญเมตตากรุณาให้มากๆากนี่ การที่เรานึกคิดถึงตัวเองและบุคคลอื่นสัตว์อื่นว่าสัตว์โลกทั้งหลายนั้นแต่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็มีความประสงค์อย่างเดียวกันนะความประสงค์นั่นก็คือต้องการความสุขแล้วก็เคลียดต่อความทุกข์เหมือนกันหมดเลยเมื่อเป็นเช่นนี้นะความทุกข์ในโลกนี้นะมันเกิดจากการเบียดเบียนกัน นี่เป็นความจริงนี่แหละทีนี้เมื่อบุคคลมารู้ได้อย่างนี้แล้วก็ไม่เบียดเบียนซะเว้นจากการเบียดเบียนเลยอบางคนก็อาจจะว่าเมื่อเขามาเบียดเบียนเราล่ะเราก็จะยอมให้เขาเบียดเบียนอย่างนั้นเรื่อยไปเหรอออันนี้เมื่อเรางดเว้นจากการเบียดเบียนแล้วอย่างนี้เราก็ยอมแหละอใครจะเบียดเบียนเราก็ยอมเราไม่ตอบโต้นั่นไะ แล้วก็หาทางเหลีกเลี่ยงพ อ, พอถ้ามีช่องทางนะถ้ามีช่องทางที่จะระ ง, งับความเบียดเบียนจากผู้อื่นนั่นได้โดยโดยสันติวิธีเราก็หาหนทางถ้าหากว่ามันหมดหนทางที่จะระ ง, งับไอ้เรื่องเบียดเบียนโดยสันติวิธีได้แล้วก็เราก็โยนให้กรรมนะมันก็เป็นกรรมเป็นเวรของตัวเอง ก็ให้เพื่อนทำไปตามประสงค์ซะเพื่อไม่ให้มันเป็นกรรมเวรๆผูกพันกันต่อไปให้มันแล้วเลิกแก่กันไปนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนี่ถ้าใครหากสัดสินใจลงได้อย่างว่านี้แล้วผู้นั้นก็เป็นผู้มีสินบริสุทธิ์นับว่าเป็นปรมาถถินไปเลยทีเดียวเป็นอย่างนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจ นี่แหละการเจริญเมตตากรุณาการสัมทานมั่นในสินมันก็เป็นเครื่องระ ง, งับความโกรธความพยาบามออกจากกิจใจนี้ใดการภาวนามันก็เป็นเครื่องระ ง, งับความหลงความไม่รู้จริงเห็นแจ้งในธรรมของจริงที่พระเจ้าทรงแสดงไว้นั้นให้ระ ง, งับดับไปหมายความว่าภาวนานี่ก็ให้ เพื่อระงับความไม่รู้นั่นนะให้ดับไปให้ความรู้บังเกิดขึ้นมาแทนนั่นเเช่นรู้จักทุกรู้จักเหตุให้เกิดทุกรู้จักความดับทุกปฏิบัติให้ถึงความดับทุกอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าเป็นความรู้เป็นความรู้จริงในธรรมของจริง ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดังนั้นพุทธบริษัทไม่ควรที่จะถือว่าทมนี่เป็นทำอันลึกซึ่งเราไม่สามารถจะรู้ได้ความจริงมันก็ไม่ลึกไม่ตื้นหรอกมันก็อยู่แค่ร่างกายนี่เองเนะมีอยู่ในร่างกายนี่แหละไม่ใช่อย่างอื่นใดเช่นอย่างทุกขังอริยสัจจังอย่างนี้ทุก คือความจริงนั่นพระองค์เจ้าทรงตรัสว่าอย่างไรก็ทรงตรัสว่าชาติปีตุขฆาชาราปีตุขฆามรานำปีตก ข, ขัง้งนี่เป็นตน้นนี่ชาติความเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกความตายเป็นทุกอันหมดนี้มันมีอยู่ที่ไหนวะนี้ความทุกข์เหล่านี้มันก็มีอยู่ที่อสภาพร่างกายนี้ทั้งนั้นเลยอตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกอย่างนี่ อา้าวตัณหามีอยู่ที่ไหนบ้านี้ตัณหาแปลว่าความอยากใครเป็นผู้อยากก็จิตตรงเนี้ยอยากไม่มีใครอยากเลยนอกจากจิตดวงนี้แล้วไม่มีใครอยากได้อะไรทั้งหมดอดินน้ำไฟลมมันก็ไม่อยากอะไรนะมันไม่ว่าอะไรนะร่างกายทุกส่วนเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นมันไม่ว่าอะไรเลยนะมันไม่ว่ามัน มันอยากได้อะไรไม่ว่าือจิตดวงนี้ทางห่างนั้นมันอยากได้อะไรต่ออะไรในโลกไม่มีสิ้นสุดนี่ดังนั้นแหละการที่ผู้มารู้จักเหตุแห่งทุกข์ก็มารู้ที่จิตตรงนี้เมื่อจิตตรงนี้ยังอยากได้อะไรต่ออะไรอยู่อย่างนี้นี่มันก็ต้องสร้างทุกข์ให้แก่ตัวเองอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักจบจักสิ้น ไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ใดมาเพ่งดูจิตตัวเองให้เห็นอย่างว่านี้นะก็จะรู้ได้ว่าถ้าว่าตนละความอยากอันนี้เส็จแล้วความทุกข์ทางใจมันก็ระงับไปละความอยากได้เท่าไหร่ความทุกข์มันก็ดับไปได้เท่านั้นอ่เป็นอย่างนี้บางคนก็จะว่าอืม ตนนั้นน่ะมันยังคลองเรือนอยู่และจะมาให้ละความอยากนี่เสียทั้งหมดมันจะไปได้ยังไงเอแน่นอนแหละทาพูดที่ได้ฟัง อ, อธรรมะดังกล่าวมานี้แล้วก็จะต้องวิจารณ์อย่างนี้แหละอันนี้การแสดงอย่างนี้หมายความว่าแสดงตามหลักธรรมะธรรมะพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้ มันก็สุดแล้วแต่ใครจะไปละความอยากในหัวใจตัวเองได้เท่าไรแต่ธรรมะหักแสดงไว้อย่างนี้ว่าความอยากนี่แหละมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อันนี้ความอยากนี่มันก็มีอยู่สองประเภทความอยากไปในทางบาปอกุศลประเภทหนึ่งความอยากไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นนี่อีกประเภทหนึ่งอย่างนี้แหละ เมื่อบุคคลมาพิจารณาเห็นว่าความอยากอันใดที่มันเป็นบาปเป็นอกุศลนลั้นเราก็งดไว้นะไม่อยากมัน อ, อยากแต่ในเรื่องที่ไม่เป็นบาปเป็นอกุศลนั้นอย่างนี้ก็คงพอเป็นไปได้ไม่ใช่เหรอนั่นนะความอยากทำมาหาเลี้ยงชีพทำนาทำสวนทำกางค้าขายแบบนี้ถ้าว่าเราทำโดยสุจริต ไม่แฝงอยู่ด้วยความโลภความโกรธความหลงแล้วอย่างนี้นี่มันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษอะไรนีน้ี่ก็จัดว่าเป็นสัมมาอาชีวะเป็นการเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบมันเป็นอย่างนั้นเมื่อได้วัตถุสิ่งของอันนั้นมาแล้วก็ได้มาแบ่งกินบ้างแบ่งทานบ้างแบ่งทำสาธารณประโยชน์ต่างๆบ้างเหมือนี้ นั่นสมบัติที่แสวงหามาได้นะเมื่อรู้จักแบ่งสรรปันส่วนใช้สอยให้มันเป็นประโยชน์เช่นนี้มันก็มันก็ไม่มีโทษอะไรอย่างมันก็มีแต่คุณแต่ประโยชน์ทั้งนั้นนะอ่แต่เพราะฉะนั้นน่ะบุคคลจึงไม่ควรที่จะไปท่อแท้ว่าเมื่อท่านสอนให้ละตัณหาความอยากนี่เราก็เลือกละเอาแต่ตัณหาที่มันจะเป็นบาปเป็นโทษนั้นตัณหาอันใดที่มันไม่เป็นบาปเป็นโทษแล้วก็ เอาไว้นั่นก้อนพระพุทธเจ้ายังได้ทรงสอนว่าอาศัยตันหานั่นแหละละตันหาอาศัยมานะนั่นแหละละมานะนี่อาศัยตันหาละตันหาหมายความว่าเราอยากมีความสุขความเจริญในชีวิตอย่างนี้นะก็กระทําคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นในต น, นี่นพอบุคคลนี้อยู่เฉยๆนี่ จะให้เป็นผู้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะ่ะมันไม่ได้มันต้องทำมันต้องทาการทำงานอย่างนี้แหละดังกล่าวมาแล้วท่านเนี่ยแต่ว่าการงานที่ทำนั้นต้องให้มันสุจริตเป็นอย่างนั้นเมื่อทำคุณ ง, งามความดีให้มากขึ้นไปมากขึ้นไปโดยลำดับแล้ว แบบ น, นี้นัผลสุดท้ายหมายวาว่าเราทําบุญกุศลทำความดีต่างๆนี้่เต็มบริบูรณ์ลงไปแล้วบุญกุศลอันนีนะ้มันจะกําจัดอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายให้หมดไปสิ้นไปจากดวงกิจดีแล้วตัญหาความทยานอยากเหล่านั้นก็ดับไปหมดเลยแบบนี้นะความอยากมีความสุขความเจริญอยู่นี่นะมันดับไปหมดเลยนะเพราะว่ามันเจริญเต็มที่แล้วแับ น, นี้นะอ่า เมื่อจิตหมดจากความอยากความบัตรถนาอะไรตัวอะไรแล้วอย่างนี้นะมันก็ถึงขีดขั้นแล้วอไม่ไม่มีความบัตรธนาอะไรต่อไปอีกแล้วดังนั้นนะ่ะคําที่ว่าอาศัยตัณหานั่นแหละละตัณหานั่นหมายความว่าอย่างนี้แหละให้พากันเข้าใจอาศัยมานะละมานะนั่นคาว่ามานะแปลว่าความถือตัวถือตอน เอาในเบื้องต้นนี่เมื่อตนยังละอุปทานขันห้านี่ยังไม่ได้มันก็ต้องถือตัวถือตนแยกไปก่อนนะเช่นอย่างว่าตนได้เกิดมาเป็นคนอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าตนมีบุญอย่างหนึ่งถ้าไม่มีบุญก็ไม่ได้เกิดมาเป็นคนเมื่อเมื่ออาศัยบุญตกแต่งให้ได้อัตภาพร่างกายนี้มาโดยสมบูรณ์แล้วอย่างเนี้ยอ่ก็แสดงว่าถ้าบุคคลได้ทาบาป ถ้าบาปตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้ก็ไม่สมบูรณ์บบันี้นั่นแหละก็วิบัติบกพร่องไม่สามารถจะทำความเจริญให้แก่ตัวเองได้ถ้าเมื่อเราเทียบกันได้อย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่กายวาจาอันนี้ไปทาความชั่วแะ้วแบบนี้นะนั่นเอาละเราได้ความเป็นคนมาที่เพราะได้มาด้วยบุญเราจะทำแต่บุญแต่ความดีความชั่วจักไม่ทาเลย เราจะรักษาความเป็นมนุษย์นี้ให้ให้มันบริสุทธิ์พุดผ่องไว้เพื่อเราจะได้เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐต่อไปนี่คําว่ามานะในทางที่ดีนะเป็นอย่างนี้เมื่อตั้งมานะไปในทางที่ดีอันมานะอันใดที่มันจะไปประกอบกรรมชั่วนั้นสละมันทิ้งไปเลยไม่เอาเช่นมานะที่ว่าเราไม่กลัวใครและเราแหละคนหนึ่งในโลกอันนี้ ใครจะมาลบหลู่ดูมิ่นเราไม่ได้เลยเราจะต้องแก้แค้นให้ได้อะไรโมนี้นะมานะมันก็เกิดจากมานะนั่นแหละแต่นั่นเป็นเป็นมานะฝ่ายต่ําฝ่ายไม่ดีขัสรละมันออกไปแล้วไม่ถือไว้และเพราะว่าจะไปถือว่าตนดีตนดีได้ยังไงในเมื่อกีเลตันหามันยังเต็มอยู่ในหัวใจอะความทุกข์ก็ยังเต็มอยู่ในหัวใจนั่นจะว่าต น, าานเป็นผู้ดีวิเศษได้อย่างไร ก็ต้องเตือนตนเข้าไปอย่างนี้เลยแล้วอัตภาพร่างกายนี่มันก็ยังมีการแตกดับทาลายไปอยู่เช่นนี้จะว่าตนเป็นผู้วิเศษได้อย่างไรอ่ะถ้าวิเศษจริงนะได้อัตภาพร่างกายนี้มาแล้วก็อย่าให้มันแตกดับทาลายสิให้มันตั้งมั่นยั่งยืนอยู่ไปตลอดการนานไป น, นู่นนั่นแะมันถึงจะวิเศษแท้นะอันนี้มันไม่ใช่มันความเข้าใจผิดต่างหา ดังนั้นผู้ใดมาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ลดละมานะประเภทนั้นลงได้เลยเ อ, อ่ากลีบใช้กายวาชานี่ทำความดีลงไปก่อนที่มันจะแตกจะดับไปเมื่อบุคคลใดได้ลดละมานะอันฝ่ายไม่ดีออกไปแล้วก็ตั้งมานะฝ่ายดีขึ้นไปก็ทําด้วยความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปบัดนี้บุญกุศลความดีมันก็มากขึ้นโดยลําดับนั่นแหละ เมื่อบุญกุศลมันเต็มบริบูรณ์แล้วมันขจัดกิเลสบาปธรรมทั้งหลายหมดสิ้นไปจากดวงขีดใจนี้แล้วมานะทั้งสองอย่างนั้นก็ระ ง, งับไปหมดเลยวะนี้ไม่มีเหลือแล้วเนี่ยคำที่ว่าอาศัยมานะละมานะนะั่นนะขอให้เพิ่งเข้าใจในแนวทางปฏิบัติอย่างนี้อันนี้เมื่อเราเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ อย่างดังกล่าวมานี่แล้วก็ตั้งอกตั้งใจและเอาใจจดจ่ออยู่ในข้อวัดปฏิบัตินั้ น, น, นไม่ท้อไม่ถอยเลยผู้ที่ครองเลือนทั้งหลายเมื่อได้ความเชื่อความเลื่อมใสในทานการกุศลและอย่างนี้ก็พยายามเอาใจจดจ่อในเรื่องทานการให้การบริจาคนั่นเลยไปหาโอกาสทาบุญบริจาคทานไป มีน้อยให้ตามน้อยมีมากให้ทานไปตามมากอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้เอาใจจดจอ่อเอาใจจดจ่อต่อกุศลธรรมต่อคุณงามความดีนั้นในฝ่ายทานเอาผู้ที่มีความเชื่อมั่นในศีลและตนได้ตั้งเกตนาวิรัตะเวนจากโทษนั้นมาแล้วอย่างนี้ก็เอาใจจดจอ่อต่อ การวิรัตละเว้นจากความชั่วต่างๆเหล่านั้นไม่ให้มันพลังเผลอไปล่วงเกินพุทธบัญญัติที่ได้สมทานมาแล้วนั้นนะนี่ธรรมดาเนี่เมื่อได้สมทานศีลมาแล้วถ้าหากว่าไม่เอาใจจดจอ่ออย่างนี้แล้วมันมักจะเผลอแหละเอเผลอไปทําผิดเขาให้ผิดพุทธบัญญัตินั่นนะมันเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นจึงต้องเอาใจจดจอ่อต่อการรักษาศีล น, นี่ ให้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆอมันเป็นอย่างนั้นเอ้าจนมีศรัทธ า, าเชื่อมั่นในภาวนาใหม่คือการภาวนานี่ก็สำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลจริงๆเส้นนี้แล้วก็พยายามเอาใจจดจ่อถ่อภาวนาตนเคยเจริญกรรมฐานอะไรจิตใจมันถึงได้ส ง, สงบระ ง, งับลง ก็พยายามนึกถึงกรรมฐานนั้นบ่อยๆเข้าให้กรรมฐานนั้นมาแจ่มแจ้งอยู่ในจิตดี้เช่นอย่างว่าบุคคลมาเคยนึกถึงความตายมาแล้วใจมันไม่ฟุ้งซ่านไม่เพลิดเพลินมัวเมามันลดละอารมณ์ต่างๆภายนอกละความอยากความบาดธนาต่างๆโมนั้นลงได้แล้วก็ใจส ง, งบลงได้เพราะนึกถึงความตาย ว่าคนเราเมื่อตายลงไปแล้วมันก็ทอดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในโลกนี้ไม่มีใครเอาอะไรติดตัวไปได้เลยแม้อาชภาพร่างกายอันเป็นที่รักที่หวงแหนอย่างยิ่งนี่ก็ต้องทอดทิ้งไว้บนพื้นแผ่นดินนี้เมื่อมาเจริญมราณาสติกรรมฐานเป็นอารมอย่างนี้บ่อยๆเข้ามันก็เห็นจริงเห็นแจ้งลงไปว่าเป็นความจริงเมื่อเป็นเช่นนี้นะ จ, จิตใจมันก็รวมตัวกันเข้ามาได้ไม่อยากได้อะไรมันก็เป็นอุบายลดละตัณหาของทยานอยากลงไปจนทำใจให้สงบเป็นหนึ่งลงไปได้เมื่อทนถนัดในการเจริญมรณสติกรรมฐานอย่างว่านี่ก็เอาใจจดจ่อต่อเรื่องของความตายนี่บ่อยๆเข้าไป เช่นนี้ใจมันก็จะไม่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยตัณหาก็จะไม่ครอบงาจิตนี้อย่างรุนแรงเป็นอย่างนั้นตลอดถึงการเจริญปัญญาวิปัสสนาอะไรมันก็เป็นไปได้ในเมื่อทำใจให้สงบลงไปได้แล้วเมื่อใจสงบลงไปได้ด้วยการเอาสติเข้าไปจดจ้องจดจ่ออยู่ภายในจิตใจได้อย่างนี้แล้ว การตรีตรองพิจารณาสังขารทั้งหลายทั้งปวงที่ตนอาศัยอยู่นี่นะมันก็เห็นแจ้งประจักษ์ได้นี่ท่านเรียกว่าสังขาร น, นะกายสังขารวาจีสังขารจิตตสังขารให้เพิ่งเข้าใจไว้กายสังขา น, นี่นะท่านหมายเอาลมหายใจเข้าหายใจออกนี่นี่แหละ ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละเป็นเครื่องพยุงกายนี้ให้เป็นอยู่ไปได้ถ้าหากว่าลมนี้หมดลงไปแล้วร่างกายนี้ตั้งอยู่ไม่ได้เลยเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่ากายสังขารแปลว่าสภาพที่ทรงไว้ซึ่งร่างกายวาจีสังขารได้แก่วิตกวิจารคนเรานั้นจะพูดอะไรออกมาแต่ละเรื่องแต่ละคำนะ มันต้องวิตกซะก่อนอวิจารก่อนมาเรื่องนี้เราควรพูดหรือไม่ควรพูดอย่างนี้นะเมื่อ น, นึกคิดในใจเห็นว่าควรพูดแล้วอย่างนี้ก็จึงพูดออกมาทางวาจาอันนี้แหละคำว่าวาจีสังขานนรแปลว่าสภาพปรุงแต่งวาจาให้เกิดขึ้นได้ได้แก่วิตกวิจารในใจนั่นนะเนี่ยพากันเข้าใจจิตตะสังขาร อันนี้ท่านกล่าวว่าได้แก่สัญญาเวทนาอ่านี่แหละสัญญาความจำหมายเมื่อมันจำหมายอารมณ์ต่างๆได้แล้วมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นถ้าเป็นอารมณ์ที่น่ายินดีพอใจมันก็เป็นสุขเวทนาถ้าเป็นอารมณ์ที่ไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจมันก็เป็นทุกขเวทนาขึ้นมา เป็นอย่างนั้นมันก็เกิดจากสัญญาความจำนี่เองแหละเมื่อไม่รู้เท่าสัญญานี้แล้วจิตมันก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นมานี่ท่านเรียกว่าจิตตาสังขารแปลว่าสภาพที่ปรุงแต่งจิตนี่ให้คิดดีบ้างคิดชั่วบ้างให้รู้สึกเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างอะไรเหมือนี้นะนี่ได คำว่าจิตตสังขาร น, นั้นได้แก่สัญญาเวทนานี่พากันจำเอาไว้เนี่ยในในตัวของคนเราทั้งหมดนี่นะถ้าว่าในทางธรรมะแล้วล้วนแต่เป็นสังขารทั้งนั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเลยเป็นแต่เพียงว่าสภาพอันหนึ่งนมาปรุงแต่งให้เกิดให้มีขึ้นถ้าเราจะสาวไป ตามเหตุปัจจัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เอาร่างกายนี้มันก็เกิดขึ้นมาด้วยอํานาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่บุคคลกระทาเอาไว้แต่ชาติก่อนหนหลังนั่นแหละ <c oughs> ทีนี้การที่บุคคลจะทํากรรมชั่วหรือกรรมดีได้มันก็มาจากอวิชชาตันหาออกรรมมูนี่นะนั่นแหละ ถ้าหาว่าเป็นวิชาอย่างนี้มันก็เป็นเหตุให้ได้ทำคุณงามความดีไปถ้าเป็นอวิชชาะส์กับตัณหาเข้าไปมันก็ทำให้คนเราทำความชั่วนีน่นั่นแหละคำวกรรมนั่นคือการกระทำนั่นเองเนี่ยเมื่ออวิชชาตัณหามันปรุงแต่งจิตใจให้อยากได้อะไรต่ออะไรแล้ววันนี้มันก็บัญชากายให้ทำแสวงหาสิ่งที่ต้องการนั้นบัญชาวาจาให้พูดไป เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการมาอย่างนี้นะนั่นแหละปัจจัยที่ก่อให้เกิดอัตภาพร่างกายนี้มานี่นะให้พึงเข้าใจอย่างนี้ที่นี้เมื่อปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ไม่เที่ยงไม่ยังยืนแล้วร่างกายอันนี้มันจะเที่ยงยังยืนมาแต่ไหนนี่พระพุทธเจ้าสอนสอนให้พิจารณาอย่างนี้เราจึงจะรู้แจ้งว่าร่างกายนี้มันทาไมมันจึง ไม่สม่ำเสมอกันนี่ก็เพราะว่าต่างคนต่างท ร, ร ม, มาไม่เหมือนกันต่างคนต่างมีความต้องการปรารถนาไม่เหมือนกันอย่างอาหารอย่างนี้แหละบางคนก็ต้องการรถจืดบางคนก็ต้องการรถเค็มบางคนก็ต้องการรถเปรี้ยวอะไรหมดนี่นะไม่เหมือนกันนะ อันนี้ความคิดความปรารถนาในจิตใจของแต่ละคนก็เหมือนกันนะมันก็ย่อมมีความต้องการแตกต่างกันไปเช่นอย่างความรักของบุคคลอย่างนี้นะเอาชายหนุ่มไปรักหญิงสาวคนนี้เขาให้แล้ววันนี้ชายหนุ่มอีกคนหนึ่งไปเห็นเข้านี่ไม่ชอบแล้วไม่ต้องการแต่ว่าคนที่แรกนั้นชอบ อเห็นว่าสวยงามอย่างนี้นะนี่ความคิดความปรารถนาในใจของคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนี้กรรมมันก็ตามมาตกแต่งให้ได้ไม่เหมือนกันเลบตอนนี้นะอะต้องให้เข้าใจอย่างนั้นมันมาตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้มันก็ไม่เหมือนกันมันเกิดมาจากดวงจิตนั่นนะออกิริยาของดวงจิตนั่นมันมีอิทธิพลไม่ใช่น้อยนะนั่นแหละมันทําให้มัด ตกแต่งร่างกายของคนเรานี่ให้มีอาการแตกต่างกันไปให้ให้สังเกตดูอิทธิพลของกรรมดีกรรมชั่วนี่นะแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังไม่เที่ยงอยู่นี่มันหมดได้เหมือนกันกรรมดีกรรมชั่วที่มาแต่งร่างกายอันนี้นะเมื่อมันอุปธรรมบำบรงนี่ไปเข้าไปไปมันหมดเขตของอะไรมันก็ดับไปนะกรรมดีกรรมชั่วนั้นนะเมื่อกรรมดีกรรมชั่วนั้นดับลงไปร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ก็ต้องแตกดับทำลายลงบันนี้การที่บุคคลจะพ้นจากความไม่เที่ยงของสังขารดังที่กล่าวมาด้ตอนตอนน้นก็ถึงว่ามาเจริญวิปัสนาสอนใจนี้ให้ละความยึดความถืออัตภาพร่างกายนี่อย่าอย่าให้สำคัญเป็นของเราให้เป็นแต่เพียงสักว่าสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งขึ้นมาอาศัยเหตุปัจจัยดังกล่าวมานั่นแหละ อเหตุปัจจัยเหล่านั้นมันก็เกิดจากดวงคิดนี้เองนะดวงคิดนี่แหละเป็นผู้ปรุงผู้แต่งขึ้นมาอ่ามันเป็นงั้นทีนี้มันก็ไม่ใช่ว่ามันปรุงปรุงแต่งแต่เรื่องชั่วฝ่ายเดียวอ่ะไอเรื่องดีมันก็ปรุงแต่งเช่นการสงเคราะห์อเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมูนี้นะมันก็มีอันมนุษย์เราที่เกิดมาในโลกนี้นะ อย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้พวกสัตว์ได้ฉานมันก็ยังรู้จักเอื้อเฟื้อเกื้อคุนกันเป็นอยู่เหมือนกันเนาะสัตว์ได้ฉานก็ดีอันนี้ลเป็นความดีเป็นบุญกุศลของมนุษย์อันที่ทำให้มนุษย์เราได้เกิดมาเป็นคนขึ้นมาอีกเนี่ยแล้วรู้จักเคารพนบน้อมต่อกันอ่าโี้นะมันก็เป็นความดีทั้งนั้นแหละทีนี้เมื่อได้เกิดมาเป็นคนบางชาต ก็ได้มาพบนักปราบผู้รู้ผู้ฉลาดในคำสอนของอเจ้าเข้าได้ฟังคำสอนของนักปราดเข้าไปก็เกิดความรู้ความฉลาดสูงขึ้นไปหน่อยหนึ่งบนี้น ะ, ะมันเป็นอย่างนั้นเป็นเหตุให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ขึ้นไปพอได้คบหาสมาคมกับนักปราดบัณฑิตเข้าไปก็เป็นเหตุให้ทา คุณงามความดีได้สูงขึ้นเป็นเหตุให้ละความชั่วออกไปเรื่อยๆนี่แหละการที่ชีวิตของคนเราจะเจริญรุ่งเรืองไปได้จะมีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปได้ก็เพราะอาศัยการครบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตนี้เองเนะี่อเพราะฉะนั้นนี่ยเมื่อพุทธบริษัททั้งหลายได้สดัดบตรับฟังแล้วก็เพิ่งพาการเจริญอิทธิบาทธรรมทั้งสี่นี้ให้เกิดห้มีขึ้นในตน คือให้ปลูกความพอใจรักให้ในการที่จะเพียรพยายามละความชั่วทาความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตนดังแสดงมาแล้วโดยลำดับนั่นแหละเมื่อตอนรู้จักว่านี่หละเป็นทางท้นทุกข์ไปได้อย่างนี้ก็เพียรพยายามเอาใจจดจ่ออยู่ในข้อวัดปฏิบัติอันเป็นทางค้นทุกข์นั้นจริงจังเข้าไป ไม่ประมาทไม่มัวเมาในขณะเดียวกันก็ใช้สติปัญญาพิจารณาไปตามว่าการกระทําของตนนั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็อาศัยวิจารณญาณประกอบเข้าไปอันนี้แหละได้ชื่อว่าเป็นผู้จะได้ละเหตุแห่งทุกข์เมื่อเหตุแห่งทุกข์ดับไปก็รู้ว่าทุกข์ดับไปจากกิจใจ แล้วก็รู้ไปถึงข้อวัดปฏิบัติที่ตนบำเพ็ญมานับว่าเป็นทางดับทุกข์ได้จริงๆนี่อิทธิบาตทำทั้งสี่เนี่ยผู้ใดน้อมนําไปประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็จะได้ความสุขความเจริญตามความสามารถของตนแหละผู้ใดอยู่ในฐานะเช่นใดก็จะเป็นผู้เจริญเช่นอย่างผู้อยู่ครองเลื่อน ก็จะเจริญด้วยลาบยศสนเสริญและความสุขกายสบายใจผู้เป็นนักบวชก็จะทำอาสวะกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจได้เพราะได้ปฏิบัติตามอิทธิบาททำสี่ประการดังกล่าวมานี้เท่าที่แสดงมาก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้